ต่อไปนะลิ้นเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ที่ลิ้นนี่แหละเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ลิ้นนี่แหละคําว่ากายเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่กายเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่กายนั้นใจเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ที่ใจเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ใจนั้นเดเลา ลองลองมาคิดดูว่าความหมายว่าตั้งอยู่ที่ที่ตาใช่ไหมครับคำว่าตานี้นี่นะฮะตาอะไรครับอ๋อจากขู่ภาษาท่จากขู่ภาษาท่แล้วแล้วอ่าจากสัมภาระจากขูไม่เกี่ยวเลยครับสัมภาระจากขู่ก็ไปเกี่ยวข้องกับโดยความเป็นกายเป็นตน้นเพราะอะไรเพราะว่าอ่าสัมภาระจากสูนี่นะกายก็อยู่ในสัมภาระจา ก, กสูก็เป็นที่ตั้งของ ชั้นราคะเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่เป็นเร่องของกายไปเจนพรโอ้กายนี้มีรูปร่างงามโคตรทรงงอนนี่ใช่ไหมแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าการเห็นจริงๆแล้วต้องอยู่ที่กะจักรคูภาษาทะตัวที่ทําให้เห็นเนี่ยนะหลักจริงๆก็อยู่ที่จักรคูภาษาทะแต่ว่าโครงสร้างของการเห็นก็อยู่ที่สสามภาระจักษุคือจักรคูภาษาทะจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสสามภาระจักษุเนี่ยนะ ส, สัมภาระจกักรสูนี่อยู่ได้ถ้าไม่มีจกักรครูภาษาธะถ้าทั้งสองอย่างพอมองเห็นเป็นที่ตั้งของฉันทราคา่ะเป็นที่ตั้งเนี่ยนะเป็นที่ตั้งปกติเราเนี่ยนะฮะเราจ ะ, ะมีฉันทราคะในตาเราหรือยังไงเนี่ยมันเห็นชัดเจนทั้งสองอย่างเลยทั้งกายด้วยทั้งตัวงภาษาธาด้วยแต่ก็น่าคิดในส่วนหนึ่งเนี่ยนะขอมากําลังสนใจที่ตาเนี่ยนะเป็นเป็นอินทรีย์ เป็นอินทรีย์รูปเนี่ยนะถ้าตาเป็นอินทรีย์รูปเนี่ยนะมันเป็นอุปนิสัยแห่งชวนะที่เป็นโลภะที่สําคัญมากนะนะต่อโลกต่อการเกิดขึ้นของโลภะเนี่ยนะยกตัวอย่างถ้าไม่มีตาเนี่ยสีเนี่ยนะเราจะไม่ยินดีเลยเพราะฉะนั้นตา น, นี่จึงเป็นที่ตั้งเป็นที่ที่เกิดขึ้นของของตันหาที่สําคัญมาก น, นะนะถ้าตาบอดสักอย่างตันหาเกี่ยวกับสีก็ไม่ค่อยมีถ้าหูเสียตันหาที่จะไปยินดีในเสียงก็ ไม่มีอันที่จริงนะครับผู้ที่มาได้สดับมาก่อนเนี่ยการที่เราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาที่จะไปรู้ว่าชั้นธราคะไปเกิดที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของธรรมดาลรือเปินครับมีใครบ้างครับคิดว่าโอ้จักกุภาษาไทยชั้นี่ชั้นรักมากหรือชั้นชอบที่ชันหวงแหนไม่มีครับแต่ถ้าพูดถึงว่าจักกุเาา ส, ส, สาสาัมภาระจักขุนะฮะยังเป็นไปได้คือคําว่า แต่จิงๆแลเป็นอย่างนั้นไม่เป็นเป็นศัพท์ที่เราคุยกันเฉยๆแต่ที่จริงเนี่ยนะความยินดีในตาเนี่ยถึงรู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อก็เป็นเช่นนั้นยกตัวอย่างนะเพราะเรายินดีในการเห็นนะพอตามมัวมัวมองไม่ชัดเนี่ยคิดหาหมอละจะตัดแว่นทันทีละใช่ไหมถ้าถ้ามองเห็นไม่ชัดเป็นต้นเนี่ยนะชักชักจะหาคิดหาแว่นแล้วใช่ไหมก็แสดงว่าไอ้ความใสอันนี้มันรู้ทางใจอ่ะเนี่ยนะก็แต่ว่าศัพท์ ผู้ที่ไม่ได้เรียนก็จะเรียกรวมๆไปเท่านั้นเองหมายความว่าถ้าอย่างนั้นจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าจันทราค้านั้นเกิดที่ว่าความเห็นที่ชัดเจนเห็นชัดเห็นไม่ชัดถ้าเกิดมันบกพร่องไปหน่อยเนี่ยนะฮะเราเริ่มมีโทสะแล้วเจนต่อใช่ไหมฮะเราเริ่มแก้ไขเพื่อที่จะให้อคตภาพนั้นกลับมาอีกรักษาเพราะเพราะไอ้ตาเนี่ยนะเป็นธรรมรมรู้ได้ทางใจเพราะติดใจในความใสอันนั้นเจนพ่อ นน ข, ขนาดมีใครมาบังตาหน่อยเรายังไปหลบหลบเพื่อที่จะไปดูให้ความใสอันนั้นได้รับชัดที่สุดเท่าที่จะรับได้ขนาดหูไม่ค่อยได้ยินยงไงนะยังช่วยช่วยบังนะเพื่อให้หูได้ยินชัดขึ้นดูก่อนที่สูตรทั้งหลายสมมนาหรือพรามเหลา่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตา โดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของกเกษมหรื อ, อสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าทำตันหาให้เจริญขึ้นเนี่ยนะสมณะพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตที่เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกแต่กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอารมณะปัจจัยเนี่ยนะได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกเนี่ยนะโดยวิปลาสเนี่ยนะ โดยเนจาวิปรารสุขาวิปราราัตาวิปาราสหรือว่าเป็นของที่ไม่มีโรคเป็นของกเกษมตันหาส ม, มณะพรามหรือเจ้าทิฏฐิทั้งหลายแหละที่ตามเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของดีแบบนี้เนี่ยนะเชื่อว่าทำตันหาให้เจริญเจินพอเนี่ยภายในเนี่ยนะ สมณะหรือพรามเหล่าใดทําตันหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าทําอุปธิให้เจริญเนี่ยนะทำตันหาตันหาเพื่ออุปธิก็คือเพื่อขันท่าใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เน้นไปที่ขันท่าสมณะหรือพรามเหล่าใดมาทําอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าทําทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทําทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาตเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกได้เลยเนี่ยนะคือตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของวิปลาสตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะโดยความเป็นของวิปลาสพวกเหล่านี้ก็ชื่อว่าไปพอกพูนตันหาเนี่ยนะเมื่อพอกพูนตันหาตัณหานั้นเพื่ออุปธิเมื่ออุปธิเกิดขึ้น ทุ ก, ก็ได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปธินั่นแหละพอทุกเกิดปับ๊บชาติเป็นต้นจะติดตามสิ่งเหล่านั้นเข้ามาและทำ ท, ทุกให้เจริญเนี่ยนะคําว่าทําทุกให้เจริญเนี่ยหมายความว่าทุกข์ขัดใช่ไหมครับหมายความว่าขันท่าเจริญเหมันกันเถอะครับ อ, อหลุดพ้นจากวัตรทุก์แม้ทั้งสิ้น ใช้คำว่าทุกในที่นี้วัตทุกนะเขาบอกว่าที่ทําให้อุปธทิให้เกิดขึ้นนะนะเพราะว่าไอ้วัตทุกข์เนี่ยนะตัณหากิเลสกรรมก็ก็ขันธ์ให้อีกนั่นแหละก็อยู่ในวัตถ์อีกนั่นแหละดูก่อนพิ่สุขท้งหลสัมมนาหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการนะอดีตก่อนใช่ไหมอดีตการก่อนเสร็จก็อนาคตการ จักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นด้วยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของกเกษมสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจักทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดจักทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญขึ้น สมณะหรือพรามเหล่าใดจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมเหล่าใดจักทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมานัตและอุปาญาตเรากล่าวว่าเขาจักไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยดูความพิสูจน์ทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้อดีต อนาคตปัจจุบันเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของกเกษมหรือสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมทําตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทําตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทําอุปตฏิให้เจริญขึ้น สมณะหรือพรามเหล่าใดาทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นเชื่อว่าย่อมทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดทาทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณาโซกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยสังเกตว่าสิ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกเนี่ยนะ การที่บุคคลเข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยนะถ้าสังเกตดูนะในสายตาของพระพุทธเจ้าดูเหมือนกับ ว, ว่านั่นเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะการที่เข้าไปยินดีในอารมณ์เท่ากับไปเสพติดอยาอย่างหนึ่งเนี่ยนะซึ่งมันมีโทษมากมายหรือเกินในสายตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งคนทั่วไปจะมองไม่เห็นนะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ามองไม่เห็นอย่างแน่นอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั่วไปคนส่งเสริมหรือว่าอย่างอย่างท่า ในสังคมบางสังคมเนี่ส่งเสริมให้คนติดยาเสพติดเลยใช่ไหมแต่คนที่มีความรู้เข้าใจโอ้โหเห็นโทษของการเสพติดอันนั้นที่จริงๆยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีคุณนะยาเสพติดเนี่ยให้สุขและสมา น, นะแต่ว่าโทษมันมากเกินกว่าที่จะเอามาเสพกันเนี่ยนะโทษมันมากมายเหลือเกินเขาจึงรณรงค์แม้กระทั่งออกกฎหมายเพื่อที่จะห้ามไม่ให้เสพยาเสพติดเนี่ยเพราะมีโทษจริงๆโทษทั้งใกล้ๆและโทษทั้งไก ล, ลโทษทั้ ง, งต่อทรัพย์สินและโทษทั้ง สุขภาพด้วยการเป็นอยู่การครองชีพ<ม>เป็นต้นเนี่ยนะไอยาเสพติดอันนั้นอะ่ะก็เลยรณรงค์กันยกใหญ่เลยแต่ตันหานี่นะถ้าพระพุทธเจ้าไม่รณรงคนะ์แะคนอื่นไม่มีไทยทำหรอกส่งเสริมตันหาด้วยเจนทอนส่งเสริมให้คนติดให้มากที่สุด เ, เพราะว่าไอาตันหาที่ติดเนี่ยนะของเราเนี่ยมองเห็นทุกโทษแค่ชาตินี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองว่าถ้าเราไปเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายแล่นี่นะ วัดตทุกเลยนะสังสารวัตอันไม่มีที่สิ้นสุดคุณกําลังพอกพูนมันอยู่นะเนี่ยนะ <c oughs> ก็เรียกว่าถ้าเพลิดเพลินในอารมณ์เนี่ยนะชาวนะเหล่านั้นเป็นกรรมหมดเลยเจตนาที่เกิดร่วมกับชาวนะเหล่านั้นเป็นกรรมและไ อ, ไอตันหานี้ไปดึงกรรมในอดีตมาให้ผลได้หมดเลยเนี่ยนะแล้วเป็นเหตุแห่งการทํากรรมใหม่เชื่อไหมว่าตันหาที่ยินดีในอารมณ์เนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งปานาติบา เป็นอ um mmm ุปน ah, ah, ah. ิส ah. ah. ัยแห่งอาทินนาทานเป็นอุปนิสัยแห่งกาเมสุมิชชาจาร์เป็นอุปนิสัยแห่งมุสาวาตเป็นอุปนิสัยแห่งพุสววาจาสัมผัสปลาปะปิสุนาวาจาเป็นอุปนิสัยแห่งอภิชาเป็นอุปนิสัยแห่งพยาบาทะเป็นอุปนิสัยแห่งมิชชาทิฏฐิที่มีกําลังมากไอ้ตันหาอันเนี้ยและเป็นอุปนิสัยที่สําคัญแห่งกรรมเมื่อกรรมเกิดขึ้นอย่างไรเสียวิบากก็ตักต้องมี วิบากซึ่งเกิดจากอคุโสลธรรมนี่ถามว่าทุกข์ไหมถามว่าที่เรามาฟังธรรมในบริเวณเนี่ยสัตว์ในสุขติหรือทุกขติมากกว่าฟังธรรมกลางคืนเนี่ยชัดเลยนะบินว่อนไปหมดเลยนะสุขติหรือทุกขติมากกว่าถามว่าเหตุที่ไปเป็นอย่างนั้นไปจากไหนเพลิดเพลินในอารมณ์เกิดจากยาเสพติดทั้งนั้นแหละที่ไปติดในยาเสพติดโอ้จึงมีโทษเนี่ยนะอันที่จริงเปรียบ เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเห็นชัดเจนมากผู้ที่เสพ ย, ยาเสพติดเนี่ยถามว่าเขารู้โทษไหมรู้รู้โทษ น, นะครับแต่เพราะว่าอํานาจเพราะความติดความติดนะควา ม, นะวามนะอํานาจของอาสาท่า น, นี่มันแรงเหลือเกินฉันใดก็ดีครับขณะที่ฟังท่านนี่นะครับ <c oughs> เห็นโทษ น, นะใครไปเห็นโทษมาครับเห็นนะครับแต่ก็ยังก็ <c oughs> ดีอ่ะย <c oughs> ังอร่อยอยู่อ่ะความติดมานานแล้วแต่ผมจวละอะไรงไ่ายง่ายๆก็เห็นครับ อา้าวขนาดบุรีเนี่ยนะเห็นโทษนะอเออบางคนเนี่ยดูดบุรี่จนเขาเรียกว่าหายใจเนี่ยแทบไม่ค่อยออกละมันแน่นหน้าอกไปหมดเลยนะอยากจะเลิกเลิกเกินเลิกได้ระยะหนึ่งเอาใหม่พอเขาเรียกว่าพอลมหายใจคล่องคล่องเอาใหม่ละอุยอยากเลิอกอีกเลิกเกินทำไมก็อยู่อย่างนั้นอนะ่ะโหกว่าจะเลิกได้ก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแล้วจริงจะเลิกได้ยาเสพติดเข้าติดกันมาเพียงนับเป็นปีครับเจนพาอย่างดีก็ไม่เคยติดมาเกินห้าสิบปี แว่ายาเสพติดซึ่งเป็ น, ต, น, นตันหานี่ติดมามเป็นไม่รู้กีก่กัปถ้ายาเสพติดแบบโลกโลกเนี่ยนะก็คือเฉพาะสารบางตัวใช่ไหมเช่นบุรีเหล้าเป็นต้นเนี่ยที่เรียกว่ายาเสพติดถ้าตามคำสอนของเราเนี่ยนะอารมณ์ไหนมั่งที่ไม่ใช่อารมณ์ของยาเสพติดคือตันหาใช่ไหมเวนโลกุตระรมเสียแล้วทุกอย่างเป็นอา ร, รมณปัจจัยของตันหา ท่านเข้าไปส่องเสพในอารมณ์นั้นนั้นเหมือนติดยาหมดเลยแล้วยาเสพติดก็นับจํานวนได้มีกี่ประเภทภแต่ว่ายาเสพติดในวินัยของพระอริยเจ้าแล้วมากเลยมีเว้นโล ก, กุตระกิจแปดวงกคำนิ้ผ่านนอกนั้นเป็นยาเสพติดได้หมดเป็นอารมณ์ปัจจัยของยาเสพติดไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านจึงให้เจริญปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเพื่อพิจารณาอารมณ์นั้นนั้น แล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากอารมณ์นั้นๆทุกๆอารมณ์เียนะเพราะถ้าผลพวงของยาเสพติดให้ผลเป็นทุกข์ใช่ไหมผลพวงของการติดในยินดีในอารมณ์นั้นๆเนี่ยให้ทุกข์เสมอไปมีอารมณ์ไหนมั่งที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์และโทมนัสบ้างลองค้นหาเถอะเนี่ยนะที่ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์และโทมนัสอ๋อไม่มี องตรัดว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายขันสำริดที่ใส่น้ำที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษนะขันสำริดเนี่ยนะขันอย่างดีเนี่ยใส่น้ำสีก็ดูดีดีกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยผสมยาพิษเข้าไปทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากระหายน้า คนทั้งหลายจึงได้พูดกับบุรุษผู้นั้นอย่างนี้ว่านายขันสําำลีที่ใส่น้ํานี้ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือยาพิษท่าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดนะบอกด้วยนะผมมีโทษนะเพราะว่าเมื่อดื่มน้ํานั้นก็จัะทราบซ่านไปด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างซ่านเลยดีมากเหมือนกันเถอะก็แหละครั้นดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจากถึงความตายแต่ขณะดื่มนี่ทราบซ้านอร่อยเหลือเกินเหมือนกันเนี่ยดีมาก แต่ว่าถ้าดื่มจบตายนะหรือถึงทุกแทบตายเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุดังนี้บุรุษนั้นพลุนผลันไม่ทันพิจารณาเห็นน้ําเลยนะเห็นน้ำว่าพลุนผลเลยนะรีบหามาญาแล้วเข้าไปไม่บ้วนทิ้งเสียนะดื่มเข้าไปแล้วก็ไม่อาเจียนไม่บ้วนอะไรออกซากอย่าง <c oughs> เขาก็พึงถึงความตายหรือถึงทุกแทบตายเพราะการดื่มน้ํานั้นเป็นเหตุทันที แม้ฉันใดดูความพ่สูจทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเชื่อว่าทําตันหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทําตันหาให้เจริญแล้วนะเชื่อว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดทําอุปธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทําทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะเซกะปริเทวทุกขโทมานตุปปายาตเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลย เนี่ยนะถ้าตามเพลิดเพลินในอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีที่พอใจในโลกเนี่ยนะดูก่อนพี่สุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เราได้เราหนึ่งในอนาคตการสมณะพราหมณ์นี่คือใครก็พวกเราทั้งหลายนั่นแหละจากเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของกเกษม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจัดทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดจักทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดจักทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า จักไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเรากล่าวว่าเขาจักไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยดูความพิสูจน์ทั้งหลายสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกอารมณ์มันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจนี่คืออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอะนะ เป็นอารมณ์ที่ที่รักเป็นที่ทชื่นใจ ใ, ด ใ, ด ใ, ด ใ, ในโลกเนี่ยถ้าหากว่าตามเห็นอารมณ์เหล่านี้โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทําตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทําอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําทุกข์ให้เจริญขึ้น สมณะหรือพรามเหล่าใดทำทุกให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่พ้นไปจากชาติรามรณะโซกะปริเทวทุกโทมนนต์และอุปายาตเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุกขได้เลยฉะนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิสูนทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีต ได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตรงกันข้ามเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยนะไม่เที่ยง อันนี้เป็นอานิจจานุปัสสนาเห็นโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นภัยนี่เป็นทุกขานุปัสสนาเห็นโดยความเป็นอนัตตานั้นเป็นอนัตตานุปัสสนาถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะชื่อว่าพิจารณาโดยความพิจารณาโดยอานิจจารักษณะพิจารณาโดยทุกข์เป็นโรคเป็นภัยเนี่ยพิจารณาโดยความเป็นทุกเห็นทุกขลักษณะหรือว่าเห็นสภาพไม่ใช่ตนก็คือเห็นอนัตตารักษณะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตันหาได้แล้วสมณะ หรือพราหมณ์เหล่าใดละตันหาได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละทุกขเสียได้สมณะหรือพรามณ์เหล่าใดละทุกได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชาติชารามารณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุบปายาตได้เรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกข์ได้ เนี่ยนะพ้นจากทุกนะเมื่อตามเห็นอารมณ์เหล่านั้นโดยอนุปัสนาเห็นอารมณ์เหล่านั้นโดยไตรักเนี่ยนะอันนี้กล่าวขั้นตีระณะปริญญากับปหาณะปริญญาไปเลยแสดงว่ายาตะปริญญาเนี่ยสบายมากรู้อยู่แล้วนะอันนึงสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่านึงในอนาคตการจักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นะ โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยสภาพ ม, well, ม่ใช่ตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพรามเหล่านั้นจักละตันหาได้นะข้อความก็ละจนถึงว่าเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจักพ้นจากทุกข์ดังนี้ดูความพ่สูจนทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความไม่ใช่อัตตา โดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมละตันหาได้สมณะหรือพรามเหล่าใดย่อมละตันหาได้สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมละอุปธิได้สมณะหรือพรามเหล่าใดละอุปธิได้สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมละทุกได้สมณะหรือพรามเหล่าใดย่อมละทุกได้สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมณตและอุปายาต เรากล่าวว่าสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกได้ดังนี้ดูกับพิสูจนทั้งหลายแก้วเล่า น, นะแก้ววายอย่างดีมั้ง น, นั่นเอที่พร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่ากความอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาระหายน้ำคนทั้งหลายก็ได้พูดกับบุรุษผู้นั้นอย่างนี้ว่านาย แก้วเหล้าที่พร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดมาชวนเราดื่มอีกมารู้ว่ายาพิษ น, นนะเพราะเมื่อดื่มเหล้านั้นก็จะทราบส่้นไปด้วยสีกลิ่นรสก็แหละขั้นดื่มเข้าไปตัวท่านน่ะจกถึงความตายหรือทุกแทบตายเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุดังนี้ดูกานพ่สูนทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าเหล้านี้เราดื่มแล้ว เราอาจจะบรรเทาได้ด้วยน้ำเย็นด้วยเนยใสยหรือด้วยข้าวสัตปะเค็มหรือด้วยน้ำชื่อว่าโลนโซจิรกะแต่เราจะไม่ดื่มเหล้านั้นเลยเพราะไม่มีประโยชน์ที่จริงเหล้านี่ดื่มเข้าไปก็หายาอย่างไรอย่างหนึ่งมาระงับพิษเหล้าได้แต่ทุกแกเราเข้านานเขาพิจารณาดูแก้วเหล้านั้นแล้วไม่พึงดื่มเข้าทิ้งเสียเขาไม่ถึงความตาย หรือความทุกข์แทบตายเพราะการดื่มนั้นแม้ฉะนั้นดูความพิสูจทั้งหลายสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการานาคตหรือปัจจุบันการเนี่ยนะเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์โดยความไม่ใช่อัตตาโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยแล้วสมณะหรือพราหมเหล่านั้นชื่อว่าละตัญหาได้แล้วสมณะหรือพรา ม, าาามณ์ เราได้ละตันหาเสียได้ท่านใช้คำว่าละตันห า, นะนห า, นนหาไงละตันหานี้ละด้วยสมุทเฉทประหารใช่ไหมละตันหานี้ละด้วยสมุทเฉทประหารก่อนที่จะถึงสมุทเฉทประหารนี่เพราะอะไรเพราะมีตทางคประหารเนี่ยนะกับวิถิมพระนประหารเกื้อกูลต่อสมุทเฉทประหารจึงจะละตันหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้แล้วเนี่ยนะเพราะว่าตันหาเนี่ยเป็นเชื้อแห่งอุปธิใช่ไหม ถ้าตัดเชื้อซะอย่างเดียวเนี่ยนะอุปธิที่จะพึงมีต่อไปก็ไม่มีอีกสมณะหรือพรามเหล่าใดละอุปธิเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกได้แลว้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกเสียได้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชาติชรามรณาโซกะปริเทวะทุกโทมานัตและอุปาญาเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกขดังนี้ น, นะ ถามว่าทราบซึ้งไหมในสูตรนี้ น, น ะ, ต, นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจอย่างยิ่งเหมือนกันเลยสูตรนี้ก็เคยอ่านมาแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยกระพ้องกระแพ้งไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าไปเข้าใจว่าอุปธิทั้งหลายนั้นเนี่ยหมายถึงจากกิเลสสูปธิก็ได้เป็นอภิสังขารุปธินั่นนะฮะซึ่งดูดูแล้วคล้ายๆว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ที่จริงแล้ว ตัวอุปธิตัวนี้เนี่ยหมายถึงขันห้าขันทูปธิเขาก็บอกว่าขันห้าในที่นี้ท่านเรียกว่าอุปธิครับคือถ้าเราพูดถึงว่ากิเลสูปธินี่นะฮะแล้วเราเอาคํานี้มามาม า, มามามาใส่แทนนี่นะครับก็ดูดูขัดจับคล้ายๆจับไปกันได้เช่นหมดหมดกิเลสอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าขันหมดไปก็ดีนะครับกิเลสหมดไปก็ดีดูคล้ายๆกันใช่ไหมครับ ถ้ากิเลสหมดไปก็มากระพจากชาติชาาราพยาธิมรณะเหมือนกั น, นนะเพราะฉะนั้นต้องอ่านละเอียดแล้วก็ต้องดูใ น, ในอัตถกถาประกอบเยอะเพราะอุปธิตัวนี้มีความหมายมีความหมายได้กว้างขวางมากนะครับถ้าท่านยังจําไม่ได้นะครับผมทวนใหม่ทีก็ได้ครับถ้าอาจารย์เหนื่อยแล้วคือคําว่าอุปธินี่นะครับท่านบอกว่าทําอะไรก็ได้ทําชนิดไหนก็ได้นะ ถ้าเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งทุกนะชื่อว่าอุปธินะธรรมใดที่ทรงไว้ซึ่งทุกสภาวะธรรมใดที่ทรงไว้ซึ่งทุกสภาวะธรรมนั้นชื่อว่าอุปธิท่านก็ยกตัวอย่างว่า <c oughs> ขันขันทูปธิก็หมายความว่าตัวขันนั่นแหละมันทรงทุกไว้มันเก็บความทุกไวเราพูดง่ายๆอย่างภาษาเราชาวบ้านก็หมายความว่าตัวขันห้านั่นแหละมันเป็นตัวที่ เก็บความทุกข์เราไว้นะครับถ้ามีขันท่าเมื <st> ่อไหร่ได้รับความทุกข์เมื่อนั้นแหละนี่คือมันทรงไว้ซึ่งทุกขนะครับท่านมีรูปรูปนั่นแหละทรงไว้ซึ่งทุกท่านมีเวทนาท่านมีสังขารมีวิญญาณ น, นั่นแหละทุกตัวนั่นแหละครับมันก็ทรงไว้ซึ่งทุกนําความทุกข์มาให้ถ้าขันท่านไม่มีเลยนะขันดับปุ๊บไม่เกิดอีกเลยนะครับทุกไม่มีนี่นี่หมายความว่าสภาวะธรรมซึ่งทรงไว้ซึ่งทุกนะครับ แล้วยังหมายถึงว่ากิเลสสูปฏิหมายว่ากิเลสก็ชื่อว่าอุปธิเพราะว่ากิเลสตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ทรงไว้ซึ่งทุกข์ถ้าบุคคลใดยังมีกิเลสอยู่ยังมีโลภะอยู่มีโทสะอยู่แน่นอนครับทุกมันต้องมันต้องออกมาแน่เพราะมันเก็บความทุกนี้ไว้จึงชื่อว่ากิเลสสูปฏิเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องจําเลยถ้าเราจําข้อความว่าสภาวะธรรมที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์นี่ถ้าจะเดาได้หมดเลย เช่นขันธูปฏติเกลเลสูปฏิหรือตันหูปฏินะตันหาตันหาอุบวกอุปัติเนี่ยเป็นตันหูปฏิเนี่ยก็หมายความผู้ใดยังมีตันหาอยู่อันนี้ก็ตรงๆอยู่แล้วนะตันหูปฏิหรือว่าปฏิคูปฏิเนี่ยมายควว่าผู้ใดยังมีโทสะอยู่ผู้นั้นก็ยังแบกความทุกข์อยู่เพราะนักคาว่าอุปัตินี้ก็มีความหมายที่ที่ในอัตถกาถาอธิบายไว้ก็อีกตัวหนึ่งคือ อภิสังขารูปทินะตัวนี้นี่ก็ทรงไว้ซึ่งทุกเพราะว่าตัวเจตนาที่ทํากรรมทั้งหลายเนี่ยตราบใดที่เรายังทํากรรมอยู่ตราบนั้นย่อมนํามาซึ่งความทุกย่อมนํามาซึ่งชาติชราพญาทีมรณะสเสมอไปตราบใดที่ยังยังยังยังทำกรรมอยู่นะครับเว้นตําหรับพราริยาบุคคล น, นั้นที่ไม่มีกรรมแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า อ่ะพี่สังขารูปธีป่าคนะอ่ะพี่สังขารูปธีแล้วก็มีอุปทีอื่นอีกหลายหลายตัวเหมือนกันนะแต่จำไม่ได้แล้วถ้ามีทิฏฐิก็แน่นอนแล้วครับถ้าหาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วคำว่าทิฏฐิตัวนี้ต้องแปลว่ามิจฉาทิฏฐิแน่นอนถ้าตับใดที่ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่หรือว่าทิฏฐิสามัญก็เถอะถ้ายังมีทิฏฐิยังมีทิฏฐิสามัญอยู่ก็ต้องทรงไว้ซึ่งทุกอยู่จนจนได้เนาะตับใดที่เรายังมีสักกายญาทิฏฐิอยู่นี่ก็ต้องทรงไว้ซึ่งทุก